จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายทรรทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่12กันยายนพุทธศักราช2556เป็นวันพระวันธรรมสวสสาณะวันฟังธรรม เป็นวันประเสริฐเพราะคำว่าพระแปลว่าผู้ประเสริฐวันนี้เป็นวันพระจึงเป็นวันประเสริฐแต่การประเสริฐนี้ไม่ได้เกิดจากการที่เป็นวันขึ้นแรง8ปขัมสห้าขั้ ง, งไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาแต่ขึ้นอยู่กับการกระทำของแต่ละบุคคล ถ้ามีการกระทาประเสริฐบุคคลก็จะเป็นผู้ประเสริฐการที่จะเป็นผู้ประเสริฐได้นั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าจำเป็นจะต้องชำระกายวาจาใจให้สะาดเท่านั้นเพราะกายวาจาใจที่สะาดนี่แหละจะนำความสุขและความเจริญความประเสริฐมาให้แก่ผู้ปฏิบัติ ความเจริญฐานราบยศสรเสริญไม่ได้ถือว่าเป็นการเจริญที่แท้จริงไม่ได้ถือว่าเป็นความประเสริฐที่แท้จริงเพราะความเจริญฐานราบยศสรเสริญไม่สามารถที่จะบำบัดความทุกข์บำุงความสุขให้แก่จิตใจได้นั่นเอง และไม่สามารถที่จะยับยั้งการกระทําที่ไม่บริสุทธิ์ได้แต่ผู้ที่ได้ชำระ ก, กายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วจะเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในการกระทั่งที่บริสุทธิ์ที่ปราศจากโทษที่มีแต่คุณมีประโยชน์ทั้งกับตนเองและแก่ผู้อื่นและ บําบัดทุกบำํำรงสุขให้แก่ผู้อื่นและตนเองได้อย่างแท้จริงดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสมได้บับญญัติวันพระวันประเสริฐนี้ขึ้นมาเพื่อให้พุทธบริษัทได้มากระทําสิ่งที่ประเสริฐก็คือการทำละกายวาจาใจให้สะอาด ปราศจากอากุศลทั้งหลายนั่นเองเพราะอากุศลนี่แลเป็นเหตุที่ทำให้กายวาจาใจไม่สะอาดทำให้กายวาจาใจเศร้าหมองมีความทุกข์มีความว้าวุ่นขุ่นมัวต่างๆถ้าอยากจะให้ใจมีความสงบมีความสุขปราศจากความวุ่นวายต่างๆก็จำเป็นที่จะต้อง ชำระกายวาจาใจชำระอกุศลที่มีอยู่ในกายวาจาใจให้หมดไปเท่านั้นอกุศลทางกายมีอยู่สามอกุศลทางวาจามีอยู่สีและอกุศลทางใจมีอยู่สามประการรวมกันก็เป็นอกุศลสิ์ที่จาเป็นจะต้องถูกชำระ กำจัดให้หมดไปจากใจเพื่อใจจะได้สะอาดบริสุทธิ์เหมือนน้ำสะอาดบริสุทธิ์ที่ดื่มแล้วไม่เป็นโทษมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์กับร่างกายใจที่สะอาดบริสุทธิ์ก็จะมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์กับจิตใจดังนั้นพวกเราจึงควรที่จะ มันชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์โดยเฉพาะในวันพระวันธรรม ส, สวรานี้ควรที่จะให้ความสำคัญต่อการชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการรักษาศีลด้วยการบาเพญ็ญด้วยการปฏิบัติธรรม เพราะนี่แหละจะเป็นการกระทาที่จะทำให้กายวาจาใจาสะอาดบ่อยสุดการรักษาศีลห้าและก็ละศีลแปดก็จะช่วยชำระอคุส์ทางกายและทางวาจาจเช่นละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีที่เป็นการ กทำที่เรียกว่าอากุศลทางกายคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดปะเวณีถ้าถือศีลห้าหรือศีลแปได้ก็จะชาระอกุศลทางกายนี้ได้คือด้วยการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีส่วนอกุศลทางวาจาก็มีอยู่สีประการด้วยกันคือการพูดบทการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อการพูดส่อเสียดการพูดแบบนี้เป็นโทษไม่ได้เป็นทุนไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ผู้พูดและผู้ที่ได้ยินได้ฟัง จึงไม่ควรที่จะพูดด้วยอกุศลสี่ประการนี้ควรที่จะละเว้นละเว้นจากการพูดบดละเว้นจากการพูดคำหยาละเว้นจากการพูดเพือเจอไม่มีสาระไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ละเว้นจากการพูดส่อเสียนยุยง ให้เกิดการแตกแยกสามัคคีการพูดเหล่านี้จะทำให้เกิดความเสียหายตามมาทั้งกับผู้พูดและกับผู้ฟังจึงควรที่จะระมัดระวังเวลาที่เราพูดให้คำหนึ่งเสมอว่าเรากําลังพูดความจริงหรือเราพูดปดถ้าเราไม่สามารถพูดความจริงได้เราไม่ต้องพูดปดก็ได้ คือเราไม่ต้องพูดหรือจะพูดเรื่องอื่นไปก็ได้พูดเรื่องดินฟ้าอากาศไปเม่จาเป็นที่จะต้องพูดปดพราะการพูดปดนี้จะทำให้เราเสียสัจจะเสียคุณค่าในตัวของเราเองถ้าเราพูดปดบ่อยๆต่อไปคำพูดของเราจะไม่มีไม่มีน้าหนัก จะไม่มีใครเชื่อฟังถ้าเราอยากจะให้คำพูดเราศักดิ์สิทธิ์เป็นคำพูดที่มีน้ำหนักเป็นคำพูดที่คนฟังแล้วเชื่อก็ต้องพูดแต่ความจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนพระลาหุนที่เป็นพระราชโอรสตอนที่ได้บวชเป็นสมมเนนให้รักษาสัจจะคือการไม่พูดปดนี้ ด้วยการทรงเปรียบเทียบด้วยการตักน้ำขึ้นมาหนึ่งขันแล้วก็ส่งบอ ก, กับตัดบอ ก, กับพระราวุนว่าลาวหทุกครั้งที่เธอพูดปดนี้เราจะเทน้ำออกจากขันไปทีละหน่อยทุกครั้งที่เธอพูดปดน้าในขันนี้ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะไม่มีน้าหลงเหลืออยู่ใน อยู่ในถันฉันใดความดีงามความน่าเชื่อถือที่มีอยู่ในตัวเรานี้ก็จะค่อยๆหมดไปทุกครั้งที่เราพูดปดต่อไปเราจะไม่มีความเชื่อถืออยู่ในตัวเราไม่มีใครจะเชื่อคําพูดของเรานี่คือตัวอย่างของเรื่องของการไม่พูดปด มีคุณค่ามีประโยชน์กับเราไม่เกิดโทษกับเราไม่เกิดโทษกับผู้อื่นถ้าเราพูดปกรนี้เราก็จะเกิดความเสียหายทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นคาหยาบก็เป็นคำที่ไม่ควรพูดเพราะพูดแล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่น่า เขารบนับถือเพราะคำหยาบนี้ก็เป็นเหมือนขยะมูลฝอยนี่เองที่ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องพูดคําหยาบ ก, กันพูดคําสุภาพพูดแล้วจะทําให้ผู้ฟังฟังแล้วเกิดศรัทธาเกิดความเลื่อมใสเพราะคําพูดที่สุภาพนี้ เป็นเหมือนดอกไม้ของหอมใครๆก็ชอบฟังอยากฟังใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้คนที่พูดวาจาที่สุภาพคนที่พูดความจริงแล้วก็ไม่ควรพูดเพ้อเจอ้อการพูดเพ้เจอ้อก็จะทําให้ไม่เสียเวลาทั้งผู้พูดและผู้ฟังพูดไปแล้วไม่เกิดคุณไม่เกิดประโยชน์ใดอย่างใดควรจะพูด สิ่งที่มีคุณมีประโยชน์เช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พูดธรรมะกันให้สนธนาธรรมกันเพราะการสนธนาธรรมนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งกาเลนะธรรมั ส, สวนรคเอตังมังกลมุมตตมังการสนธนาธรรมตามการตามเวลานำความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้พูดและแก่ผู้ฟัง สิ่งที่ควรพูดที่เป็นธรรมมีอะไรบ้างเช่นหนึ่งให้พูดถึงความมักน้อยคือไม่มากมากไม่โลภให้มักน้อยคือให้แสวงหาให้ต้องการเพียงเท่าที่จําเป็นต่อการดํารงชีพก็พอแล้วอะไรที่มากไปกว่านี้ไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจไม่เป็นประโยชน์กับร่างกาย แต่จะกัดเป็นโทษแก่ร่างกายและจิตใจเพราะร่างกายก็ต้องเหนื่อยกับการหามามากๆหามาแล้วก็เป็นภาระทางจิตใจเพราะใจจะต้องคอยดูแลรักษาคอยหวงคอยห่วงคอยวิตกกังวลและเวลาสูญเสียไปก็จะเกิดความเสีย อ, อกเสียใจจึง ไม่ควรที่จะมากมากให้มักน้อยให้รู้จักประมาณต่อความต้องการของร่างกายของชีวิตจิตใจร่างกายต้องการปัจจัยสี่เพื่ออย่างชีพแต่จิตใจนี้ไม่ต้องการไม่ต้องการอะไรเลยสิ่งที่จิตใจต้องการก็คือความไม่โลภเพราะความโลภนี้ จะทำให้ใจิตใจเกิดความรุ่มร้อนขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความเสียใจเวลาที่ไม่ได้ดังความบาดธนาดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญต่อความมักน้อยถ้าเรามักน้อยแล้วเราจะชีวิตของเราจะไม่ต้องดิ้นรนมากจะไม่ต้องเหนื่อยมาก ไม่ต้องเหนื่อยกับการหาของต่างๆมาที่ในที่สุดเราก็ต้องทิ้งไปหมดเวลาเราจากโลกนี้ไปเราไม่ได้เอาอะไรไปเลยใจเราจะไปเปล่าๆไปด้วยความสงบหรือไปด้วยความวุ่นวายถ้าใจมีความมักน้อยมีความไม่โลธ ก, ก็จะไปอย่างสุขอย่างสบายถ้าไปด้วยความโลภ ด้วยความมากๆใจก็จะไปด้วยความเสีย อ, อกเสียใจเพราะจะต้องสูญเสียจะต้องจากสินต่างๆที่หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากไปนี่คือเราควรจะพูดเรื่องความมาักน้อยข้อที่สองก็ควรจะพูดเรื่องสันโดษสันโดษแปลว่าความยิน ด, ดีตามมีตามเกิดตามบุญตามกรรม ตามฐานะของเราเรามีมากมีน้อย <c oughs> ก็ให้มีความพอใจให้อยู่กับความสิ่งที่เราพอมีพออยู่ถ้าไม่พอก็ให้มีความขยันหมั่นเพียรหามาโดยวิธีที่สุดจริลหาได้ก็ดีหาไม่ได้ก็ยอมอยู่แบบอัตคัดขัดสนอยู่แบบลาบาก ดีกว่าที่จะไปทำบาปทำกรรมเพื่อให้ได้สิ่งที่จำเป็นมาเพราะว่าเวลาที่เราทำบาปนี้จะมีผลตามมามีโทษตามมาทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่ตายจากโลกนี้ไปแล้ว ขณะที่มีชีวิตอยู่ก็จะอยู่แบบวิตกกังวลหวาดภวากลัวจะต้องถูกจับไปลงโทษแล้วเวลาตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างเพราะเป็นผลของการกระทาบาปถึงแม้ว่าจะเป็นการกระทาบา เพื่อรักษาชีวิตของตนก็ตามสู้ยอมตายดีกว่าที่จะทำบาปเพราะว่าอย่างไรไม่ช้าก็เลยก็ต้องตายด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะมีทรัพย์มากน้อยเพียงไรก็ต้องตายเหมือนกันไม่มีทรัพย์อยู่แบบขอทานก็ต้องตายเหมือนกันความตายนี้ไม่เป็นประเด็นสาคัญประเด็นสาคัญอยู่ที่ว่า การอยู่ของเราเราอยู่อย่างไรอยู่ด้วยการทำบาปหรืออยู่ด้วยไม่การทำบาปไม่กระทำบาปถ้าอยู่ด้วยการทำบาปถึงแม้ว่าจะอยู่ไปได้นานหน่อยแต่ตายไปแล้วก็ต้องไปรับโทษรับกรรมเวลาอยู่ก็ไม่มีความสุขมีแต่ความหวาดภาวาความวิตกกังวลแต่ถ้าไม่ทำบาป ก็จะอยู่อย่างสบายใจไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่กังวลตายไปก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายถ้าไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปบุญกับบาปไม่สามารถดึงไปสวรรค์หรือดึงไปอบายได้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าไม่ทำบาปแล้วได้ทำบุญ เวลาตายไปบุญจะมีกำลังมากกว่าบาว ก, ก็จะดึงให้ไปเกิดในสวรรค์นี่คือเรื่องของจิตใจที่เกิดจากการกระทาของเราว่าเรามีความสันโดษหรือไม่มีความมักน้อยหรือไม่ถ้าเรามักน้อยสันโดษเราจะไม่มีความกดดันไม่มีความกดดันที่จะผลักดันให้เรา ต้องไปทำบาปต้องไปสร้างความทุกข์ใจให้กับเราต้องไปรับผลของบาปที่เราทำไว้หลังจากที่ตายไปแล้วนี่คือทำที่เราควรสนทนากันคือมักน้อยสันโดษแล้วก็สอนให้คุยกันเรื่องยินดีหในการอยู่ในที่สงบสงัดเพราะการอยู่ในที่สงบสงัดนี้ จะทำให้ใจมีความสงบถ้ากายวิเวกใจก็จะวิเวกถ้ากายสงบใจก็จะสงบเวลาใจสงบก็จะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้พระองค์ทรงตรัสไว้ว่านัตติสันติปรังสุขขังไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุข ที่เกิดความที่เกิดจากความสงบของใจการที่จะเกิดความสงบของใจได้ก็ต้องอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลนี่คือเรื่องที่เราควรจะคุยกันคือคุยเรื่องการหาที่สงบสงัดวิเวกเพื่อบางเพญสัมมณะธรรมทําใจให้สงบแล้วก็ควรจะคุยเรื่องการไม่คุกคลีกัน ไม่สังคมกันเพราะการสังคมกันการคลุกคลีกันมักจะทำให้เกิดความโลภเกิดความไม่มากน้อยไม่สันโดษเพราะเวลาคุยกันก็จะมักพูดถึงสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พอได้คุยกันแล้วก็ทำให้เกิดความอยากได้ อยากคุยกันดีกว่าควรจะปริกวิเวกอยู่ตามลาพังบาเพ็ญสามณธรรมด้วยการเจริญสติควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดไปในเรื่องที่จะทำให้เกิดความมากัมกมากขึ้นมานี่ก็ปือเรื่องหนึ่งที่เราควรจะคุยกันคุยเรื่องการไม่สังคมกันไม่คุกคีกัน เวลาใครจะมาคุยกับเราเราก็บอกว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าถ้าไม่มีธุระประปังถ้าจะคุยกันเพื่อแก้งเหงาก็อย่าคุยดีกว่าไปทำใจให้สงบดีกว่าเพราะว่าความเหงานี้เกิดจากใจที่ไม่สงบนี่เองเวลาใจไม่สงบใจจะอยากสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเพราะยังมีการมัชันทะ มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรดอยู่ในใจจึงทำให้อยู่คนเดียวรู้สึกเหง า, ว, าว้าเหวแต่ถ้าทำใจให้สงบได้ใจจะไม่รู้สึกเหงาจะไม่รู้สึกว้าเหวเพราะความว้าเหวความเหงาเกิดจากความคิดเกิดจากความอยากเวลาใจสงบแล้วความคิดความอยากก็จะสงบตัวลงไปก็จะทำให้มีความสุข ด้วยการอยู่ตามลำพังแล้วจะเบื่อต่อการที่จะอยู่กับผู้เพราะจะทำให้บรบกวนจิตใจนั่นเองจะทำให้ใจไม่สงบดังนั้นเราต้องคุยเรื่องการไม่คุ้คลีกันคุยเรื่องการอยู่ตามลำพังคุยเรื่องอยู่การเปรกวิเวกคุยเรื่องของการมากน้อยคุยเรื่องของสันโดษ แล้วก็ให้คุยเรื่องศีลศีลห้าศีลแปว่ามีหรื อ, อยังรักษากันอยู่หรือเปล่าวันนี้เรารักษาศีลห้ากันหรือเปล่าหรือว่าเราสมาธานเพียงแต่ปากเท่านั้น <c oughs> เวลาที่เราออกจากวัดไปเราก็ไม่สนใจที่จะรักษาการสมาทานศีลของเราคือไม่สนใจที่จะละเว้นจากการฆ่า จากการรักทรัพย์จากการประพฤติผิดประเวณีจากการพูดปลดจากการเสพสุรายาเมาหรือถ้าเรารักษาสินแบบเราก็ต้องมีสติระมัดระวังสิข้อที่สามก็ต้องเปลี่ยนจากการไม่ประพฤติผิดประเวณีไปเป็นการไม่ประพฤติผิดทังพรมาจันก็คือไม่ร่วมหลับนอนกับผู้ใด แล้วก็เพิ่มสีนข้อที่6ก็คือละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกเิ้นกาด้วยการดูด้วยการฟังสิ่งที่เป็นเครื่องบรรเทิงต่างๆละเว้นจากการหาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอภารที่สวยงาม แต่งหน้าทาป่าด้วยเครื่องสําอางน้นําหอมต่างๆเพราะความสวยงามเหล่านี้เป็นความสวยงามปลองไม่ใช่เป็นความสวยงามที่แท้จริงความสวยงามที่แท้จริงอยู่ที่กายวาจาใจที่สะอาดโดยสุดเราจึงควรไม่เสียไม่ควรเสียเวลากับการไปชําระ เสริมความสำเสริมความงามทางร่างกายวรมาให้ความสาคัญต่อการเสริมความสวยงามทางกายวาจาใจด้วยการละละอกุศลทั้ง1ิประการนี้พูดเรื่องศีลผู้เรื่องภาวนาเพราะการภาวนานี้จะเป็นวิธีที่จะชาระอกุศลทางใจนั่นเอง อากุศลฐางใจมีอยู่สามประการก็คือความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธนี้เกิดจากความหลงความหลงคืออะไรก็คือเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่ไม่เป็นจริงนั่นเองเห็นตรงกันข้ามกันเห็นกับตาเรปัดมีอยู่สามประการคือเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข mm. เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราตัวเราว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเ mm. มื่อมีความหลงแล้วก็จะเกิดความโลภตามมาเช mm. ่นเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขก็อยากได้ mm. พอได้มาแล้วแทนที่จะได้ความสุข mm. ก็จะกลับมาได้ความทุกข์แทนแต่ถ้ามี ถ้ามีความรู้มีความฉลาดเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราก็จะไม่อยากได้พอไม่อยากได้ก็จะไม่ได้ความทุกข์ตามมาอะไรที่ในโลกนี้ที่เราถือว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ที่ไม่ใช่เป็นของเราก็คือราบยศสรรเสริญ รูปเสียงกลิ่นรสโผัพพานี่เองลาบนี้ไม่ไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมีการเจริญมีการเสื่อมเป็นธรรมดาทุกคนรู้กันอยู่ดีว่าการมีลาบนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีไปตลอดมีเวลาบางเวลาอาจจะสูญเสียลาบไปได้ยศก็เหมือนกันมียศก็มีการเสืยย่อมยศ สรรเสริญก็เหมือนกันมีสรรเสริญก็มีกะ ม, มีมีนินทาได้หมดสรรเสริญก็มีนินทาตามมาได้มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสก็มีการเจริญ ม, มีการเสรื่อมได้เวลาเจริญก็เป็นความสุขแต่เวลาเสื่อมก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา แล้วก็จะเป็นความทุกข์ที่มีที่รุนแรงตอบ ก, กว่าความสุขจะลบล้างความสุขต่างๆที่ได้มาให้หมดไปเลยเช่นเวลาเราสูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายนี่ใจของเรานี่จะทุกข์ทรมานมากถึงกับบางครั้งอยากจะฆ่าตัวตายเพราะเพราะต้องมารับกับความ สูญเสียที่ไม่ได้คาดไม่ได้คิดไว้เรื่องหน้าก่อนว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าความหลงหลอกไม่ให้มองเห็นความไม่เที่ยงของาะลาภยศสรรเสริญมองไม่เห็นว่ า, าะลาภยศสรรเสริญนี้ไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงจะอยู่กับเราไปงานสักเท่าไหร่เราก็ไม่รู้วันดีคืนดีก็อาจจะจากเราไปได้ แต่ถ้าเรามาภาวนามาเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเราก็จะมีแสงสว่างแห่งธรรมมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเราจะเห็นว่าลาบลดสรรเสริญจะเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นลดโภธพระนี้ไม่เที่ยงเป็นอนิจจมีเจริญย่อมมีเสื่อมไปเป็นธรรมดา เวลาเสื่อมย่อมมีความทุกข์เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาถ้าอยากให้ไม่เสื่อมถ้าอยากให้สิ่งที่เสื่อมนั้นกลับคืนมาอีกก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้ามีปัญญารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมแล้วหมดไปแล้วนั้นจะให้กลับมาอีกย่อมเป็นไปไม่ได้เช่นสูญเสียคนที่เรารักไป เวลาเขาตายไปแล้วจะให้เขากลับมาอีกนีย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะไม่มีความอยากให้เขากลับคืนมาอีกพอไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ความทุกข์นี้เกิดจากความอยากไม่ได้เกิดจากความตายของบุคคลนั้นบุคคลนี้ ไม่ได้เกิดจากการเสื่อมของสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เกิดจากความอยากของเราที่จะไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เสือ่อมไม่ให้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เสือ่อมหรือตายจากเราไปหรือถ้าตายจากเราไปแล้วก็อยากจะให้เขากลับมาอีกก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราบําเพ็ญส ม, มะถะภาวนาวิปัสสนาไปเราก็จะ เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะไม่มีความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้อยู่กับเราไปตลอดไม่อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมั่นคงถาวรแน่นอนเพราะเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เมื่อเราไม่มีความอยากในสิ่งต่างๆ เวลาสิ่งต่างๆมีการเปลี่ยนไปมีการเสื่อมไปหมดไปก็จะไม่เป็นทุกข์กับเราเพราะเราไม่หลงนั่นเองเรารู้อยู่ตลอดเวลาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราถ้าเรารู้อย่างนี้ตลอดเวลาเราก็จะไม่โลภเราก็จะไม่โกรธ พาะความโกรธก็เกิดจากความโลภนี่เองเวลาโลภอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจก็จะโกรธโกรธบุคคลที่มาทำให้ไม่ได้สิ่งที่อยากได้แต่ถ้าเราไม่โลภแล้วเราจะไม่มีความโกรธใครใครจะทำอะไรจะไม่ทำให้เราเดือดร้อนแต่อย่างใดเราจะรู้สึกเฉยเฉยใครเขาจะมากีดขวางกีดกั้นอะไร ก็ไม่ <S <S เป็นปัญหาอะไรเพราะเราไม่ได้อยากได้อะไรเขาอาจจะคิดว่าเราอยากได้เช่นเขาอาจจะคิดว่าเราอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผโภทะภะเขาก็พยายามที่จะมาขัดขวางเราไม่ให้เราได้ลาบยศสรรเสริญไม่ให้ได้ลาบรูปเสียงกลิ่นรสโภทะภะแต่เขาไม่รู้ว่าในใจของเรานนะั้ไม่มีความอยากไม่มีความโลภ เราทำอย่างไรก็ไม่ทำให้เราเดือดรอ้อนไม่ทาใหเราโกรธได้ <Yeah. S 1> นี่แหละคือความประเสริฐที่จะเกิดขึ้นกับเราถ้าเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วเราจะไม่มีปัญหากับใครจะไม่มีเวรมีกรรมกับใครจะไม่มีความทุกข์กับใครเราจะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดจนวันตาย หลังจากที่ตายไปแล้วความสุขที่มีอยู่ในใจนี้ก็ไม่มีวันหมดไปเช่นเดียวกันยังอยู่ยังมีอยู่กับใจเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายใจที่มีความสะอาดบริสุทธิ์แล้วจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะไม่มีความโลภความอยากได้อะไรเมื่อไม่มีความโลภอยากได้ลาภรถสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นลดผลถั ก็ไม่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือผู้ที่ยังมีความโลภอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลภพพาอยู่ก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาหาร่างกายใหม่เพราะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลภพพานั่นเองแลพอได้ร่างกายมาแล้วก็ต้องมาทุกกับร่างกาย ทุกข์กับการดูแลรักษาเล ai, beach, jar, También, la, iana, ica, ี ia, iga, infect, ้ยงดูร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่ผู้ที่ได้ชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากอกุศลสิบประการนี้แล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดอีกต่อไปจะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดเช่นพระทยของพระพุทธเจ้า และใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่ได้จากพวกเราไปแล้วนี้ก็ยังมีอยู่ยังมีความสุขอยู่ไม่เหมือนกับใจของพวกเราที่ยังวุ่นวายอยู่ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ตายไปแล้วถ้าไม่ได้ชําระอกุศลทั้งสิบประการนี้ให้หมดไปจากใจดังนั้นหน้าที่ของพวกเรา ถ้าอยากจะให้เรามีความสุขมีความเจริญอยากให้เราเป็นผู้ประเสริฐอย่างแท้จริงเราก็ต้องหมั่นชำระอกุศลสิประการนี้โดยการเริ่มต้นที่วันพระนี้ก่อนแล้วก็ทำเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆออกจากวัดไปแล้วผ่านวันพระไปแล้วถ้ายังชำระได้ก็ควรชำระต่อไปชำระให้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของเราเท่านั้นไม่มีโทษมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์มีแต่ความสุขและความเจริญที่จะตามมาดังนั้นก็ขอฝากเรื่องของการมาวันที่เป็นวันประเสริฐนี้เป็นวันพระนี้ให้ท่านมาทำชีวิตจิตใจของท่านให้ประเสริฐด้วยการชำระกายวาจาใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากอกุศลทั้งสิบประการนี้เพื่อใจที่ประเสริฐที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสม่วยแก่เวลาจึงขอยดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันณะสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ